พันเท้ามหาพรหมก็เลยชักชวนพรหมร่วมกันมาประมาณพันหนึ่งนะอย่างน้อยพันหนึ่งมาสามบดีพรหมก็อันตรทานหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงหน้าของพระพุทธเจ้าคล้ายกับบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนที่งอเข้าหรืองอแขนที่เหยียดออกฉะนั้นท้ามหาพรหมก็ห่มผ้าเฉียงบ่าประคองอันเฉลีมาทางเรานะก็เรียกว่านั่งคุกเข่าข้างหนึ่งนะนั่งคุกเข่าข้างมึง ยกมือประนมอัญชลีก็นักเรียกว่ายกมือไหว้แล้วก็พูดบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมคือโปรดแสดงอริยสัจธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงพระธรรมคือแสดงอริยสัจธรรมคําว่าธรรมอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีส่วนเนี่ยนะผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงหรือผู้จําแนก แจกแจงพระธรรมมรตนะขอให้พระองค์จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตระระน ะ, รรรตะเธอข้าขอพระสุคต์ก็คือผู้ที่เสด็จไปสู่อมตะนิพานผู้ที่เสด็จดำเนินไปสู่ไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเถะสัตว์ผู้มีกิเลส ด, ดุทุลทีที่ดวงตาน้อยเป็นปกติมีอยู่คือคนที่เขาจริงๆแล้วเขาเนี่ยราคะเขาไม่หนาแน่น โทสะเขาไม่หนาแน่นโมหะเขาไม่หนาแน่นและเขามีกุศลละมูลนะเขามีกุศลละมูลอดีตเขาทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบารมีสร้า ง, บ, าางบุญกุศลไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเขาตั้งความปรารถนาเพื่อจะให้ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะของเขาเนี่ยเบาบางเขารอแสงธรรมเนี่ยนะรอรอคําสอนเขาก็จะตรัสรู้ ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังธรรมเขาก็จะเป็นผู้เสื่อมอย่างเช่นพระสารีบุตรถ้าไม่ฟังธรรมจะตรัสรู้เป็นอัครสาวกไหมพระโมคคัลลานะถ้าไม่ตรไม่ได้ฟังธรรมจะตรัสรู้ได้ไหมไม่ได้เนะฉลาดเก่งเหมือนถ้านนท์ถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะบรรลุได้ไหมบอกไม่ได้ มีอนุภาพมากเช่นพระมหากษัตริยถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากบรรลุได้ไหมโดยวิสัยของตนโดยลําพังของตนก็บอกไม่ใช่ฐานนะมันคนทั้งหลายสมัยพุทธกาลแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารพระราชามหากษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยนะหรือหลังๆถัดๆนั้นมาจวบจนปัจจุบันถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเนี่ยนะโอกาสที่เขาจะได้ตรัสรู้เช่นนั้นจะมีไหมทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขาจะสร้างบุญบา ร, รมีมาถึงเขาสร้างบุญมาเนี่ยเอา บอกเราเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วยังไงเราก็ต้องบรรลุแน่นอนก็บอกว่าถ้าไม่ได้สร้างบารมีจนถึงระดับพระประเจกกับพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกถึงมีบุญก็ก็อะไรบรรลุไม่ได้เหมือนอย่างว่าเราแม้สะสมเงินเอาไว้ตั้งหลายถังไงนะเสร็จ แ, แล้วอยากได้รถสักคันหนึ่งพอดีเขารถเขาเลิกผลิตแล้วแล้วก็หมดแล้วไม่มีรถแล้วสักคันเดียวเนี่ยนะถึงมีเป็นถังก็ซื้อรถไม่ได้เพราะไม่มีคนผลิตรถขึ้นมา มาขายเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเอาแบบมีพกเงินไปเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยนะกระเป๋าตุงเลยขนเงินไปในทะเลทรายที่ไม่มีร้านอาหารแม้แต่ร้านเดียวเนี่ยนะหิวให้ตายมีเงินเต็มกระเป๋ากินไม่ได้เงนะิน่ะเพราะอะไรเพราะนั้นไม่มีอาหารที่ต้องการในจริงๆอะ่ะคืออาหารคนที่สั่งสมบุญก็เหมือนกันถึงเขาจะมีบุญมาม า, มากขนาดไหนถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาตรัสรู้ไม่ได้ ถึงจะทําบุญมาหนึ่งอสงไขยแสนกับเช่นกับพระสารีบุตรก็บรรลุไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมพระโมคคัลลานะก็นิยะเดียวกันหรือผู้ที่สร้างบารมีมาตลอดแสนกับเช่นพระเอตะทัคคะทั้งหลายเช่นพระมหากระสปะพระมหากระจายนะพระอนุรุทธะทั้งหลายผู้มีตาทิพท่านเหล่านั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าขนาดผู้ใหญ่ขนาดนั้นยังบรรลุไม่ได้แล้วลูกเล็กเด็กแดงถัดถัดตามนั้นมาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเขาจะตรัสรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เขา mm hmm. เขาเหล่านี้เขาพอจะบรรลุได้มีอยู่นะ mm hmm. เขาพอจะรู้เรื่องได้มีอยู่นะเห่างนั hmm. ้นแสดงว่าคนที่จะไปขอร้องให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมต้องเป็นคนฉลาดมากเลยนะ mm hmm. แปล ว, ว่ายกเหตุผลที่ฟังขึ้นนะ mm hmm. และเพราะอะไรเพราะผู้ที่รู้ธรรมรู้ทั่วถึงธรรมแปลว่าผู้ที่จะเห็นอริยสัจจะทำตามที่พระองค์สอนเนี่ยจักมีอยู่ คั้นแล้วเท้าสามบดีพรมพอกล่าวอย่างนี้จบก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าแต่ก่อนในแคว้นมคตได้ปรากฏมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งชนพวกที่มีมนทินคิดกันเอาไว้คือคําบอกว่าในสมัยแคว้นมคธแคว้นมคตก็ยกตัวอย่างว่าเมืองหลวงเขาอยู่ที่ไหนเมืองหลวงก็อยู่ที่เมืองราชครกแถวเขาฮิชกูดนะเมืองหลวงอยู่แถวนั้นนะราชเครือ ท, ที่รับพิหารเนี่ยนะแถวจังหวัดอยู่ที่รั ราชเคอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนารันทานะอยู่จังหวัดนารันทารัฐพิหารเนี่ยแขวงละแวกแถวบริเวณนั้นเนี่ยลัที่มิดช่าทิฐิแพร่ระบาดมากเนี่ยนะแ ล, แล้วสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาอีกกลับไปแล้วจะเห็นแล้วว่าภาพอ่พอพาภาพปกติของของประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเป็นยังไงก็อย่างปัจจุบันเนี่ยกลับไปก็เห็นแล้วว่าค่าปกติเนี่ยเป็นยังไงเต็มไปด้วยมิดชาทิฐิเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองที่อยู่ตามพื้นดินก็ยังเป็นมงคลณว่า ง, งั้นเถอะ นับถือดินมั่งนับถือน้ำมั่งนับถือลมมั่งนับถือไฟมั่งนับถือสายอะไรนะอันนี้บักบ้านเราก็เรียกอะไรสายพวกพวกได้อะนะพวกได้สายสินอะไรทั้งหลายนับถือกันไปหมดเลยเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งอวัยวะเพศก็นับถืออ่างนั้นนะ่ะนับถือโอ้ก็ก็อะไรนะฮะก็เอาดอกไม้ไปบูชามั่งไปรูปยูปสถดท้านั้นแนหะคือโดยที่สุดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนั ก, น, กนักเข้าก็เดินนักนุ่งลมหม่มอากาศก็เรียกว่าอรหันเนี่ยนะ ลัทธิมิจฉาทิฏฐิมันแพร่ระบาดขนาดนี้เพราะคนที่เศร้ามองด้วยราคะสร้างลัทธิขึ้นมาคนที่เศร้ามองด้วยโทสะคนที่โง่เขลาลงง้มงายแต่ว่ามีบุญเก่าเป็นปจัจจัยพูดอะไรคนก็เชื่อเมื่อพูดอะไรแล้วคนเชื่อ คนก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะฉะนั้นลทัทธิมิจฉาทิฐิที่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยจึงระบาดมากเหลือเกินมีแต่ข้อปฏิบัติไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนะ์นรกข้อปฏิบัติผูไ้ไปสู่เดรชานเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าคติสองของมิจฉาทิฐิก็คือนรกกับเดรชาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ขอพระองค์โปรดทรงเปิดประตู อมตะนะครคือนิพพานด้วยเถิดเนี่ยนะคำว่าประตูเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนิพพานอมตะนิพพานเนี่ยนะอมตะนิพพานเป็นชื่อนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของธรรมที่ไม่ตายเนี่ยนะอมตังปณีตังในอย่างรัตนาสูตรที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนะขยังวิราคังอมตตังปณีตังยทัจขาสกยมุนีเนี่ยนะขยังเป็นธรรมที่สิ้นราคาังวิราคะเป็นธรรมที่คลายกําหนัดอมตะเป็นธรรมที่ไม่ตายหรือเป็นธรรมที่พ้นจาก ความตายเนี่ยนะสันตังปณีตังก็คือสงบแล้วก็ประณีตนะทำอันนั้นเนี่ยขอให้พระองค์เปิดประตูเพื่อให้ได้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นด้วยเถิดนะก็คือให้พระพุทธเจ้าประกาศอริยมรรคเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะถ้าพูดโดยสัจจะสีนะขอให้พระองค์เนี่ยประกาศอริยมรรคขริ ย, ร ย, ร ย, รยสัตว์วิธีการปฏิบัติในวิสุทธิ์ที่เคือสีลวสิสีทธลทว สีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิจนถึงญาณทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอย่างลงสู่อมตะนิพพานขอให้พระองค์แสดงอย่างนั้นเถอและอีกในหนึ่งอันนี้เป็นเป็นลักษณะอ้อนวอนนะประโยคอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วก็เจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงได้สดับธรรมที่พระองค์ผู้ทรงหมดมนทินตรัสรู้แล้วให้เขามีบุญหูได้ยินได้ฟังบ้าง เขาให้มีบุญทางใจเนี่ยนะคำว่าบุญหูก็คือบุญเก่าที่เขาทํามาดีให้ได้ยินคําสอนบุญทางใจขอให้เขาได้เจริญสุตะมยญาญนจินตามยญาญนหรือว่าเจริญให้เขามีโอกาสมีสุตมยญาญนสีรมยญาญนสมาธิภาวนามยญาญมีธรรมติติญานหรือปัจยภาพรกขะหญาณสัมมสนาญาณอุทยพยญาณ น, น, นะวิปัสนาญาณเป็นต้นจนได้ตรัสรู้เป็น พระโสดาบันขอให้เขามีโอกาสได้มีสุตตะมยญาณที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจเป็นที่สุดด้วยเธอเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าถ้าหากว่าเขาได้ฟังธรรมเขาจะได้รับประโยชน์แน่แท้เมตตาเนี่ยน้อมนําประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเมตตาการุณาก็น้อมให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์เรียกว่า กรุณาพันขอให้พระองค์มีกรุณาที่มุ่งเปลื้องเขาให้พ้นทุกมีเมตตาให้เขาได้รับประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานให้เขาได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ประโยชน์อันนั้นด้วยเถิดทีนี้เขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยเวลาที่จะขอร้องอะไรมันต้องเปรียบเทียบอุปมาให้ฟังหน่อยเหมือนอย่างว่าชนผู้อยู่บนยอดเขาศิลา พึงเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉัน้นใดเช่นใครเคยขึ้นบนไปไหว้พระภูเขาทองเนี่ยนะถ้าขึ้นบนบนทีไไ่ภูเขาทองเลยเนะ น, นีน่นยนะตอนกลางคืนเดือนมืดเนี่ยนะยืนอยู่ตรงนั้นจะมองเห็นวิวในกรุงเทพเพรา ะ, ะตึกตัวตึกตรงไหนที่เปิดไฟเราจะมองเห็นหมดเลยใช่ไหมก็เหมือนกับขึ้นไปโน่นนะบนตึกสูงสูงยีบสสชั้นหรือขึ้นไปตึกบนร้อยชั้นเลยแหละคืนเดือนมืดตึกตรงไหนเปิดไฟก็จะมองเห็นตรงนั้นฉันใด เขาบอกว่าคนที่ขึ้นอยู่ที่สูงแล้วก็มองเห็นได้โดยรอบฉั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปรีชามีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกโปรดเสด็จขึ้นปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมมีอุปมาฉันนั้นขอให้พระองค์ทรงตรวจ ด, ดูประชุมชนผู้ระ ง, งมด้วยความโศกถูกชรามรณะครอบงำ น, น, นะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์แสดงธรรมเพราะเขาผู้รู้ทั่วถึงกรณีเขาก็อาบอกว่าเปรียบเทียบเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่าตึกสูงๆเนี่ยนะซึ่งผู้ที่มีตาดีเนี่ยคืนขึ้นไปยืนในคืนเดือนมืดที่อื่นที่ไหนเขาเปิดไฟจะมองเห็นที่นั่นฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระองค์เสด็จขึ้นสู่ปราศาส์คือปัญญา ขึ้นสู่ปัญญาคือปราสาสตรเนี่ยนะก็จะมองเห็นโดยระอบเลยเห็นนบอก ว, ว่าตึกหลังไหนที่เปิดไฟก็จะมองเห็นฉันใดผู้ที่จะบรรลุมรรคผลก็เหมือนเขาพระองค์นี่มองเห็นแสงแห่งมรรคผลที่เขาจะตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยนะเขาเรียกว่าส่องประกายไว้แล้วในใจใช่ไหมส่องประกายเขาเรียกว่าอะไรนะมองเห็นเพชรในโคลนโตมแล้วมีผู้ที่จะบรรลุได้เยอะๆเลยเนี่ยคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนั้นพระองค์ก็ดูเราอยู่แต่มองไม่เห็น ก็ว่าเหมือนอะไรเหมือนลูกศอนที่ยิงไปในความมืดฉะนั้นเนี่มองดูแล้วไม่เห็นไม่มีวิเวลมันจะบรรลุได้ยังไงเลยเนี่ยนะก็เอาเธอเนี่ยนะสมมติาเราเอง เ, เนี่ยนะเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ใครมาอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังมีวิเวลว่าจะฟังบ้างหมอันนีคุณมาริวันเนี่ยมีวิเวลว่าจะฟังถ้าเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยนะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังเลยแหละแล้วดูมีวิเวลเอาถ้ายี่สิปีที่แล้วอ่ะ แล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเราเนะจะมีวิแววได้ยังไงไงแสดงว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีส่องดูแล้วว่าออรอไปก่อนแล้วกันเนี่ยนะโน้นไปอ่านจดหมายเอาแล้วกันเงี้ยนะรุ่นนานขนาดนั้นนะคือคือถ้าคนที่เขามีอุปนิสัยจับบรรลุมักผลก็เหมือนกับมองเห็นเนี่ยตึกไหนที่เปิดไฟเนี่ยก็มองเห็ น, นห้องตรงไหนเนี่ยนะยังตึกหลายๆชั้นห้องไหนเปิดไฟก็มองเห็นใช่ไหมแสดงว่าห้องไหนเปิดไฟก็ห้องนั้นพอที่จะ มองเห็นพระธรรมรัตรนะได้มองเห็นอริยศาสตร์ได้พระองค์ก็จะไปเปิดเผยแสดงธรรมให้ประชุมชนเหล่านั้นเนี่ยพรหมก็เข้าใจอุปมานะสมัยใหม่ขึ้นอะไรนะเวลาเนี่ยมองเห็นตึกมองเห็นอะไรที่ก็เปิดไฟเนี่ยเห็นชัดเลยว่าผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีแสงปัญญาอยู่ในใจฉันนั้นเขาเราียกว่าอุปนิสัยที่คูกลุ่นอยู่ในใจถ้าเขาได้ฟังธรรมเขาก็จะตรัสรู้แล้วละเนี่ยนะแต่เชื่อเหอตอนนั้นพระ อ, องค์ตรวจ ด, ดูแล้วไม่เห็นเราหรอก อย่านั้นพนก็ไม่ต้องไปลำบากใจไม่ต้องไปเสียอกเสียใจนะก็ศึกษาต่อไปเผื่อพระเสีอานเป็นต้นจะมองเห็นเราเอ้ยสังสมมาแล้วเนี่ยฟังอริยศาสตร์เขากับบรรลุแล้วเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราต้องสะสมพระสูตรใดสูตรหนึ่งให้คู่กลุ่นอยู่ในใจของเรานะลุกโชนด้วยพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งที่เข้าใจอย่างชัดเจนแมนั้นพระองค์ไม่รู้จะสอนสูตรไหนให้แกเราเนี่ยนะ ก็บอกโอ้ยเปนั่งเออเปนั่งฟังกับพวกคณะใหญ่ก็แล้วกันนะได้ยินร่วมกับเพื่อนเขาก็แล้วกันไม่รู้จะแสดงยังไงให้มันตรงกับอัจริยาศัยเพราะเราไม่เคยสะสมอัจฉริยะสัยพระพุทธเจ้าสอนทำตามอัจริยะสายนะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปเรื่อยปาตกถาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะพูดไปเรื่อยเหมือนมาเนี่ยไม่ใช่หรอกพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกเน่ยเข้ามาก็ว่าไปเรื่อยหมดชั่วโมงก็ไปฉันเพนเป็นต้นเนี่ยนะก็ก็รอพระเทพไปจนกว่าจะถึงเวลาฉันเพลอย่างเงี้ย แต่พระองค์เนี <3 presque S 2> <three. S 1> mm ่ยบางที่เนี่ยจะมีพูดสองประโยคก็มีพระพุทธเจ้าเทศสองประโยคก็มีสประโยคก็มีพูดสองบรรทัดก็มีพูดสิบรรทัดก็มีพูดเรียกว่าถ้าแบ่งเป็นนิบาศเรียกวเอกานิบาศอย่างเช่นชาดกเนี่ยชาดกบางเรื่องสอนสองบรรทัดบางเรื่องสอนสบรรทัดเรียกว่าทูกานิบาศถ้าสอนหบรรทัดเรียกว่าติกานิบาศเนี่ยนะถ้าสอน8บรรทัดเรียกจตุกานิบาศถ้าสอนสิบรรทัดเรียกปัญจการนิบาศถ้าสอนสิบรรทัดเรียกว่าฉักการนิบาศ เ, นะเช่นถ้าสอนประมาณ15บคาถาเรียกปัญนาละสะเนี่ยนะหรือบางที16กคาถาก็16โสรลสะบางจนถึงโน่นะพระเวสสันดรเนี่ยสหัสสะก็ได้สหัสคาถาพันเนี่ยนะคาถาพันก็คือพระเวสสันดรพันคาถาก็คือบางสูตรเนี่ยพูดประโยคเดียวอย่านะบางพูดก็ยู่ยาวเฟ้ยเนี่ยอย่างเช่นสันเเลคธรรมหรือเช่นมหาประานสูตรเป็นต้นแล้มีสูตรที่ยาวมากเลยเนี่ยนะก็มีสอนตามอัธยาศัย มันพระพุทธเจ้าไปที่ไหนไม่ใช่พูดอยู่สูตรเดียวเนี่ยนะไม่สอนตามอัธยาศัยสอนกลุ่มนี้สอนอย่างนี้กลุ่ม น, นั้นสอนอย่างนั้นวันถ้าเราไม่สั่งสมอุปนิสยัยว่าเราจะเอาอะไรกันแน่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะบอกไดเราใช่ไหมเดยอย่างบอกว่าแล้วแบบถ้าเปรียบเหมือนอะไรนะ คนที่จะซื้อของอ่ะแม่ค้าก็ถามว่าคุณอยากได้อะไรก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้เอาไหมโอ้เอาเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้อยากได้ไหมแพงเกินไปนะเอาไปเอามาก็เดินออกมาตัวเปล่าเนี่ยนะฉันได้อย่างอย่างคนที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการศึกษาพระธรรมก็ฉันนั้นเนี่ยนะพราะอ่านพระไตรปิฎกอ่านจบแล้วไปเที่ยวหาข้อปฏิบัติอื่นที่นอกพระไตรปิฎกเออก็น่าแปลกใจเนี่ยเพราะามอะไรเพราะเขาไม่มีเป้าหมายที่จะตรัสรู้ตามธรรมเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างอย่างสมมุติว่าเอาเขา เขาศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยถือเอาสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นหลักปฏิบัติเช่นอั น, น, นอย่างมงคลสูตรเนี่ยเรียนมงคลสูตรท่องจําสาธยายมงคลสูตรได้ให้ดีเลยเนี่ยนะก็ไปที่ไหนที่เขาอธิบายมงคลให้เราเข้าใจอย่างทะลุโ ป, ปร่ปปรงตั้งแต่มงคลข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายและเข้าใจโดยที่ไม่คล่องไม่เรียกว่านึกยังไงก็ปีติกับมงคลทั้ง38หรือไม่ถ้าเราถือเอาโพธิปัจจะธรรมสาปดเนี่ยนะเออสามสิบเ เราก็ทำยังไงจะให้เข้าใจในโพธิปักตยธรรมให้ดีแล้วก็เพียงพอหาข้อมูลประกอบจนเพียงพอเอาให้มันชัดๆเหมงอนันนี่ยถ้าไม่ชัดก็มันก็เบลอเพราะไม่เบลอเขาชวนไปไหนก็ไายหมดเลยคันเนี่ยหนักๆเข้าชวนทำอะไรก็ทำหมดนะแต่ถ้าขอให้เพียงอย่างเดียวขอให้พูดถูกใจก็พอเหมือนกันมันก็ต้องพยายามที่จะสังวรระวังให้ดีๆเนี่ยนะ